ตรงกับวันศุกร์ขึ้นสี่คาำเดือน11ปีฉลูณตาบลบ้านเหนืออําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพระชนกชื่อนายน้อยคชสวัสด์พระชนณีชื่อนางกิมน้อยคดสวัสด์บรรพชนของเจ้าพระคุณสมเด็จมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจเพราะมาจากสี่ทิศทางกล่าวคือพระชนกมีเชื้อสายมาจากกรุงเก่าทางหนึ่งจากปักใต้ทางหนึ่ง